278ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุนิทานสมุทยัยใดรือแต่สังคมพุทธทุกวันนี้มันไม่สำ ม, มาทิถีกันจริงๆพอจะฟังขึ้นบ้างไหมขออภัยนะที่พูดนี้เป็นการศึกษาความจริงที่เป็นอยู่จริง ผู้รู้ก็ยังไม่รู้จักโลกุตระกันอย่างเป็นสัมมาทิธฐิแต่ก็สอนก็เผยแผ่มิจฉาทิธฐิกันให้แพร่หลายกันไปมากมายจนกลายเป็นมวลชาวพุทธส่วนใหญ่กันอย่างใหญ่มากจริงๆแล้วความถูกต้องหรือผู้กล่าวสัมมาทิธฐิ เป็นเสียงนกเสียงกาหรือเป็นตัวตลกไปแล้วเมื่อไม่มีส ม, มาทิฏฐิจึงไม่มีความจริงของผู้พ้นทุกข์ขาอริยสัจเป็นตัวอย่างยืนยันว่าคนพ้นทุกข์าอริยสัจนั้นมีจริงนะเป็นได้จริงนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเป็นอย่างไรแบบใดดีประเสริฐชนัน ก็ได้พยายามพูดมา45ปีกว่าแล้วก็ต้องพยายามต่อไปเพราะความจริงของผู้พ้นทุกข์อาลัยสัตว์ซึ่งเป็นของพุทธแต่ผู้เดียวหลังจากได้เสื่อมไปจากโลกเกือบสิ้นเชื้อกันทีเดียวและเพิ่งจะเริ่มฟื้นคืนความจริงของผู้พ้นทุกข์อาลัยสัตว์ กลับมามีขึ้นอีกในเมืองไทยเมื่อไม่นานมานี้เองยังมีไม่มากไม่ถึงขั้นมีพลังงานแห่งรูปธรรมและนามธรรมที่มีรังสีราศีและมีมวลปริมาณถึงขีดจนทำให้สังคมสัมผัสเห็นความเป็นจริงอย่างเข้าใจได้หรือรู้ง่ายชัด ก็คงต้องภาคเพียรช่วยกันฝื้นฟูความพ้นทุกข์่าาริยสัตว์อันเป็นคุณวิเศษนี้การอย่างอุตสาหะวิริยะกันหนักเอาการก่อนหน้านี้กล่าวได้ว่ามันไม่มีเลยนานมาแล้วมีก็มิชาผลเท่านั้นแต่หลงผิดกันว่าเป็นสัมมาผล แม้ทุกวันนี้ก็ยังหลงกันอยู่อย่างมั่นใจแม้อัตมาจะพูดเอาหลักฐานพระไตรปิฎกมายืนยันกันแล้วกันเล่าจนหน้ารำคาญ45ปีแล้วก็ตามก็เห็นในวงการพูดนั้นมีแต่พ้นทุกโลกีอันไม่ใช่พ้นทุกขอาริยสัจ กับมีแต่ดิรัชานวิชาวิชาที่ไม่พาไปนิพพานดิรัชานกถาคำพูดที่พูดกันแม้จะแน่ใจว่าพูดธรรมะแต่ไม่พาไปนิพพานที่เป็นนิทานหรือนิยายกันอยู่เต็มสังคมพุทธศาสนา เพราะเหตุหรือสมุทายปัจจัยมิได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สัมมาทิ่ทิเข้าขั้นอริยสัจ ส, สีอันเป็นโลกุตรธรรมมันเป็นกันได้แค่โลกิยธรรมนิทานหรือนิยายทั้งหลายของคนไทยชาวพุทธจึงพ้นทุกอย่างเก่งแค่โลกิยทั้งสิน้น มันเพราะเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยที่ไม่เป็นไปตามมหานิทานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นเลยยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ได้อย่างสุดยอดเพราะสามารถเป็นมนุษย์โคคุตระจริงนั้นจะสูญหายไปกลายเป็นมีกันแต่ยอดนิยายของโลก ที่ไขความเป็นมนุษย์ได้แค่มนุษย์โลกิยะกันแค่นี้เสีย ห, หรือ